เนื่องจากว่าจำนวนผู้ที่มาจะมีมากมากขึ้นเรื่อยเรื่อยน่าแบบวันนี้บรรยากาศมันก็จะค่อยๆจะสงบเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอยากจะอนุญาตโยมทราบว่าแ บ, าบ น, านกิจการก็ได้คือทุกวันเนี่ยเราก็จะตั้งแต่บ่ายสองโมงไป ถ้าใครสะดวกอยากจะมาฟังทรรมาตอนบา่ายสองโมของวันไหนก็ได้นอกจากวันที่เราไม่อยู่ไม่มีเทระไี่ตั้งใจซึ่งก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีเทรารเราตัดขาดก็อยากจะบอกให้ทราบนะใช่ไหมว่ามีสองสองเวลาด้วยกันที่จะมามะพบมามาพูดมาคุยกันได้ ตอนเช้าก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงประมาณเก้าโมงครึ่งที่ศาลาฉันข้างล่างที่วัดยานก็จะฉันเช้าที่นั่นถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระก็จะคุกสมณะให้ฟังประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่จะฉันส่วนตลางบ่ายประมาณสองโมก็ที่คํางบนเขาที่ที่นี่ถ้ามาตอนหน้าก็มาถึงวันที่ที่ศาลา พัฒนากันไม่มากก็คืออย่างที่ปุติก็มีสองช่งวงด้ยกันในแต่รอวันเพื่อญากิโยมสะ <cue> ดวกตงไหนทำการที่จะมาถามธรรมะถามปัญหาหรือมาสอนกันนาม า, ม า, มามทำารร ม, มก็เลือกเวลามาได้เพราะว่าถ้ามาอย่างที่วันนี้เนี่ย มันไม่ได้บรรยากาศนะไม่เงียบน ะ, ค, ะคนเยอะมากแต่ก็ไม่ขาดช่องนะเห็นกันว่าเห็นเรนื่องบรรยากาศจะไม่ได้บรรยากาศอย่างที่เคยเป็นเมื่อก่อนนี้ก็มากันประมาณนเ่งนั่งในศาลาได้ประมาณจนตอนมาก็ร้อนออกไปจางท้างศาลา อันนี้ก็เลยไปถึงทางโน้นนะแต่ก็เรื่องของของศรัทธาก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ห้ามอะถ้าพอใจที่อยากจะมากันในสภาพนี้ก็มาได้แต่ก็เพียงแต่จะบอกทางเลือกให้ทาง ว, าว่ามีทางเลือกม า, มาวันอื่นก็ได้ พวกที่นัดการต่อบไปคงจะต้องไม่ประกาศนะทำ่ใชวก็พึ<อ>่ ง, อ, งอยู่ได้ก่ทนามันก็เหมือนกันอ่ะมามาวันไหนก็พูดเหมือนกันไม่ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ไ่ทราบว่าจะมีทางเลือกเนี่ย แต่ก็ยินดีที่ทุกคนมีความสนใจใส่ใจเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าราบาิงเนควรเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเรามากยิ่งกว่าทำาท า, า, ทาสอนของพระพุทธเจ้าก็มี เพลงแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไอย่างแท้จริงย่าท้าวรได้พบกับความสุขที่แท้จริงย่าถ้าวรต่างกับความสุขนั่นการดับทุกข์ที่เรามีกันในทางโลก เช่นเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัไปแสวงหาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขในขณะที่เราได้สัมผัสได้จะทำสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ไม่นานความสุขนั้นก็จะหายไปเหมือนกับควันไ แล้วก็ความรู้สึกอ้างว้างเปลี่ยนความต้องการความหิวความอยากก็กลับมาอีกความทุกข์กังวก็กลับน้อยเราก็ต้องออกไปหาความสุขเพื่อมาปลอบความทุกข์ที่เกิดขึ้นอีกเพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ ไม่มีอะไรในรอบนี้ที่จะดับได้ํำจักได้นอกจากพราทรคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นดางนั้นการที่เราฝ่ายำยินดีและทําจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราอย่างแท้จริง เราอยากให้ความยินดีในทางนี้หมดไปจากใจทัองเรามันสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆด้วยการเข้าหาธรรมะด้วยการศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเวลาที่ว่างจากภารกิจการงานเองๆแทนที่จะดูหรือฟัง สิ่งต่างๆที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นเพียงแต่ให้ความบันเทิงชั่วคราวก็ขอให้เรามาฟังทำเรือเปิดดูเทศนาของครูบาอาจารย์ที่ได้ดูการบันพึกไว้ในในสื่อต่างๆฟัง แ, แล้วเราจะได้เกิดความเข้าอกเข้าใจด mm hmm. ีขึ้น ในวิธีทางของการปฏิบัติของเราแล้วเราก็าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วคนย่อมเป็นสิ่งที่ตาม อ, อย่างแน่ น, นอนเพราะเตุและผลเนี้เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันเพศเป็น สิ่งที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาดัางนั้นถ้าเราเจริญเหตุที่ถูกเราก็จะได้ผลที่ถูกถ้าเราเจริญเหตุที่ผิดเราก็จะได้ผลที่ผิดผดัดดงนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องสําคัญในอันดับแรกต้องศึกษาก่อนอยังไง คำสอนที่สงสอนว่าต้องศึกษาคือปรียัตแล้วก็ไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะได้ปฏิเวทคือการบรรลุผลของการปฏิบัติการศึกษาเริ่มต้นด้วยการได้ยินได้ฟัง จากผูรู้เช่นพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธกาลขั้งแรกที่พระพทธเจ้าทรงประกาศข้อทางคาสอนก็มีนักศึกษาอยู่ห้ารูปด้วยกันคือพระปัญจวัคคีทรงแสดงพระทรนมัชจั ก, กปารวัตานัสสุแสดงพระอริยสัจสื แสดงเรื่องใจรักหลังจากที่ทรงสแสดงแล้วก็มีเหนึ่งในผู้ฟังคือพระอางยอกงกรมชัญญะก็ได้บรรลุผลที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังและได้ปฏิบัติตามในขณะนั้นเลยได้บรรลุเป็นพระเจ้าบามัยรยัดปฏิบัติปฏิเวช น, นี้เกิดขึ้นใน ในลําดับใกล้ๆกันขณะที่ทรงแสดงผู้ฟังก็พิจารณาตามพอพิจารณาตามแล้วพอเข้าใจแล้วใจก็ปล่อยวางความเห็นผึกความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นความทุกข์นั่นเองจะยึดในสิ่งที่ไม่ควรยึด ก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างที่พ้องทรงแสดงเรื่องของความทุกข์ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาถ้าไปยึดไปติดร่างกายก็จะอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอร่างกายแสดงอาการเจ็บอาการแก่หรืออาการตายขึ้นมา ใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอได้ทราบว่าถ้าอยากจะดับความทุกข์นี้ mm hmm. ก็ต้องปล่อยวางร่างกาย mm hmm. คืออย่าไปอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้น mm hmm. เป็นอย่างนี้ปล่อยให้ร่างกายเคลืนไปตามความจริงของเขา mm hmm. ก็คือมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาพอฟังแล้วพิจารณาตามแล้วทำใจไหววางตัดอิปทานาาาความยึดมัน่นมั่นในร่างกายไนดะ้ใจก็จะอดทนจากความที่เกี่ยวกับร่างกายเรื่องของร่างกายคือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย ก็จะไม่เป็นปัญหาต่อผู้ที่เห็นด้วยปัญญาแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดบับไปพระอัญญาณโกนทัญญะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องพระอริยญญาาสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ปากฏเห็นมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่า ความทุกนี้เกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องตัดความอยากท่านก็เลยยอมรับว่าทํารมใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับการเป็นธรรมดาพอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีความทุกกับสิ่งที่ มีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาเพราะจะไม่ยึดไม่ติดติดต่อไปนอกจากร่างกายแล้วก็ยังมีทำอย่างอื่นความทุกชนิดในโลกนี้สิ่งต่างๆทุกชนิดในโลกนี้รว น, นอยู่อยู่ใต้กฎของใจนักนเดียวกันคือมีการเกิดขึ้นต้องอยู่แล้วดัแบบไปทงนั้น ไม่ว่าจะเป็นทัพย์สมบัติเข้าของเองินทอ ง, งยกขาบรรดาศักดิ์การชำเงินยกย่องเงินย่อและความสุดที่ได้รับจากลูกศิษย์เกียรติศักดิ์ศรีสิ่งเหล่า น, นี้ล้วมมีการเจริญและมีการเกิดเป็นธรรมดาผู้ที่มีปัญญาเข้าใจหลักของตรีลักเข้าใจหลักของอนิจจัง ของการเกิดแลการดแบบับก็จะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายถ้ายังมีความจาเป็นที่ต้องพึ่งพาอาศัยก็อาศัยไปเท่าที่จะอาศัยได้อยู่ไปกับสิ่งที่ต้องอาศัยไปแต่พร้อมที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปาะในที่สุดมันก็ต้องเป็นแบบนั้น เมื่อ ร, ร่างกายนี้มันหยุดทํางานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ที่เราหามาได้ด้วยร่างกายของเรามันก็จะหมดสภาพตายท้องกับรางกายเราไม่สามารถที่จะไปเป็นเจ้าของเขาได้ต่อไปเพราะเราไม่มีร่างกายที่จะไปควบคุมดูแลทรัพสมบัติเท่าของเงินต่างเงินทองต่างๆ เหมือนกับตอนที่เรามีร่างกายถึงแม้ว่าเราจะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ก็ไม่มีใครเขาเจะเชื่อเราว่าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองต่างๆเอย่างนั้นหือเล่าหรือว่าเราตายไปแล้วเราต่างมาเกิดใหม่ภายในเก้าเดือนพอเราโตชักอายุชักสิบขวบเราก็บอกว่าของที่บนี้เป็นของฉันแม่อดีตก็ไม่มีใครท้าเชื่อ ถึงอแม้เขาเชื่อเขาก็ไม่ยอกของต่างๆนั้นให้กับเราเพราะว่าเขาก็อยากจะได้ของต่างๆอย่างนี้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงที่มีการเกิดและการดับเป็นธรรมดาแล้วเราจะไม่ทิบกับสิ่งต่างๆอะไรจะเกิดอะไรจะดับ ก็ไม่เป็นปัญหากับใจของผู้ที่ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเหล่านัน้แต่ถ้ายังยึดยังติดยังมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่พอสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามความอยากก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือตัวอย่างของคุณประโยชน์ของธรรมะ ของคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะาถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิยาว่ีรีทั้ง5้ารู้นั้นก็จะไม่มีโอกาสที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้เลยเพราะธรรมที่พระเจ้าสรงรู้นี้ต้องเป็นคนระดับของพระพุทธเจ้าเพียงรงคเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองผู้อื่นนี้ไม่มี โอกาสที่จะรู้ได้เลยเนี่ยคือพระอญญริยสัจสื่อทุกสมุทยัยนิโรธมากไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะว่าทุกคนไม่มองเข้ามาที่ใจมองไปข้างนอกกันเวลาใจทุกข์กลับไม่มองว่าต้นเหตุอยู่ที่ข้างใ น, นคือความอยากพออยากแล้วก็ต้อง เหมือนกับหมาสุนัขถูกน้ำร้อนลวกก็ต้องวิ่งหนีลรือไน่วิ่งหาอะไรมาทำให้มันหายเจ็บแทนที่จะมาพิจารณาว่าความเจ็บความทุกข์ใจนี้มันอยู่ที่ไหนเกิดจากอะไรก็ไปหาวิธีดับทุกข์ด้วยวิธีต่างๆไปหาเงินหาทองไปหาตำแหน่งไปหา รูปเสียงกลินรถมาเสร็จมันก็เพียงแต่ช่วยจบความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจนั้นชั่วคราวแต่ไม่ได้ดับอย่างถาวรพอไม่นานเดี๋ยวมันก็ความทุกข์ก็กลับขึ้นมาอีกเมื่อเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นขึ้นมาอก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอแต่นักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้านี้ จามองเข้ามาข้างใงานมองดูที่ใจของพระ อ, องค์เองแล้วก็พิจงงารณาดูสาเหตุว่าทำไมใจของพระ อ, องค์ถึงไม่สดบายทำไมถึงต้องทุกข์ใจทร ง, งพิจงงารณาก็ทรงเห็นว่าเพราะความอยากต่างานั่นเองความอยากในฌานก็คือความอยากในรูปเสีเขียวเข้ม เวลเราอยู่บ้านเราไม่ได้เห็นสิ่นนั้สิ่งนี้ได้เสดได้สัมผัสกับรูปเสียงกล่ดรสชนิดต่างๆเราก็อยากจะออกไปเสดขณะที่เราอยากจะออกไปนี้ใจของเราก็ไม่สงบนะใจของเราก็มีความรู้สึกว้าเหวิรู้สึกเบื่อนานถ้าเราไม่ได้ออกไปหารูปเสียงกล่นรสตามความอยากของเรา เราก็เลยต้องออกไปหาลูกสื่อถิ่นนั้นแล้วความอยากนั้นก็จะบันเทาไปชั่วขา้าวแต่พอเรากลับมาอยู่บ้านอีกไม่นานความอยากนี้ก็หวนกับพืนขึ้นมาอีกเราก็ต้องไปหามาใหม่อีกแทนที่จะพิจารณาเห็นว่าความอยากตัวนี้ เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของความหุดหยิดของความว้าวเว e ใจของเราเราไม่คิดอย่างนั้นกันถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ดับความอยากนี้เสียเท่านั้นเองหยุดความอยากนี้อยากไปอยากหนึ่งมันอยากเราอยากไปตอบสนองความอยากความอยากนั้นมันเมื่อมันไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะอ่อนแรงไปเองในที่สุด แต่ถ้ามันได้รับการตอบสนองมันก็ทำท่าจะอ่อนลงแต่มันอ่อนเพียงไม่นานแล้วมันก็กลับแรงขึ้นจากเก่าอีกความอยากทุกครั้งที่เราตอบสนองนี้จะจะมีกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความอยากจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเคยได้คืบพอได้คืบแล้วทีนี้ก็อยากจะได้สอบพอได้สอบแล้วก็อยากจะได้วา นี่เป็นความอยากมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีขอบไม่มีเหตุมหาสมุทรแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามยังมีขอบมีฝั่งมีฝาแต่ความอยากนี้มันไม่มีฝั่งไม่มีฝามันกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่ามหาสมุทร นีถ้าเราไม่ได้พระพุทธเจ้ามาสอนเราเราก็จะถูกความอยากนี้หลอกให้เราไปอยากสิ่งต่างๆอย่างที่เราเคยถูกหลอกมาแล้วนับไม่ถ้วนการที่พวกเราได้มาเกิดกันในชาตินี้นี่ก็เป็นอนิสงส์เป็นผลของความอยากของพวกเรานี่เองส่วนพระพุทธเจ้ารับพระอรานันตสาวก ในอนดีตที่ท่านไม่ได้กลับมาเกิดแล้วก็เป็นเพราะว่าท่านรู้ทันความอยากนี้เองท่านได้กำจัดความอยากต่างๆจนหมดสิ้นไปจากเจของท่านแล้วจึงไม่มีเหตุหรือตัวที่ฝากงันให้ไปเกิดใหมน่นี้นี่คืออริยาาสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ด้วยพระองเองแล้วก็นำมาม า, าสอนแก่พวกเราถ้าพวกเรายึดหลักของพระอนิ ญ, ญาตจักสี่เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตของเรานับรองได้ว่าความทุกข์ในใจของเรานี้ยจะมีน้อยลงไปตามลำดับแลนะมีหมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนภายในชาตินี้เลยเราไม่ต้องเสียเวลา บำเพ็ญบารมีอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็ญมาเป็นกับเป็นกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าต้องบำเพ็ญอะไรกันก็เลยต้องบำเพ็ญแทบทุกอย่างจนกว่าจะทำให้พระองค์าาสามารถเห็นความจริงของพระอริยสัจสีได้ส่วนร่วงรานี้บาเพียงแต่เกาะชายเท่าเหลืองของพระพุทธเจ้า เราก็สามารถที่จะตามสเสด็จพระพุทธเจ้าได้อย่างสบายด้วยการน้อมเอากรทําคํคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยาาสัจสี่นี้มาเป็นมาเป็นหลักของเราขอให้เรามีพระอริยาาสัจสี่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราเสมอเวลาใดที่เรามีความทุกข์ใจ ขอให้เราระ ล, ลึกถึงคำสอนทันทีว่าเราไม่สลายใจเพราะความอยากของเราเองไม่ใช่เพราะว่ามีแผ่นดินไว้มีสุนามิมีภัยต่างๆจริงเหล่านี้เขาไม่เป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้เกิดแผ่นดินไว้เกิดสุญานิเกิดภัยต่างๆขึ้นมา แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ภัยต่างๆเหล่านี้เขาเป็นธรรมดาขเขาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เรามาอยู่ในโลกนี้จะต้องรับต้องรับสัมผัสรับรู้กันทุกคนแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับใจของเราเพราะภัยต่างๆเช่นแผ่นดินไหวนี้ไม่สามารถมาทำทาลายใจเราได้ ทำได้ก็เพียงแต่ร่างกายซึ่งมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราอยู่แล้วแต่เนื่องจากเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่รู้ว่าตัวเราของเรานี้ก็คือใจที่ไม่ตายที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทําลายมันได้มีเป็นสิ่งที่เราไม่รู้กัน เราก็เลยเกิดความวิตกกเกิดความทุกข์วุ่นวายกันเวลาเกิดใครต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าเรามีอริยสัจสี่อยู่ในใจเราเรามองกลับมาที่ใจเลยว่าตอนนี้เราไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะความอยากของเราใช่ไหมเราต้องอยากอะไรสักอย่างหนึ่งเอถึงไม่สบายใจต้องถามตัวเองดูแล้วเราก็จะได้ทาต่อว่าพร้อม ไม่อยากให้เกิดภัยต่างๆขึ้นมาหรือไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเราเช่นตอนนี้ชีวิตของเรากําลังดีอยู่กําลังดีเหลือเกินอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดพอมีเหตุการณ์อะไรที่จะมาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นนี่เรียกว่าเป็นการเจริญมรร เราใช้สติปัญญาวิเคราะห์ความทุกข์วิเคราะห์ความทุกข์ก็คือทุกข์ต้องกําหนดรู้เราต้องรู้ว่าทุกข์นี้มันเกิดมาจากอะไรเราก็พิจารณาวิเคราะห์ดูความทุกข์เราก็จะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากและความทุกข์นี้จะดับมันก็ลงดับด้วยการที่ เราลบความอยากนั้นออกไปเรากําจัดความอยากนั้นออกไปความทุกข์มันก็จะหายไปเพราะว่าความอยากนี่มันเป็นเหมือนสวิตไฟเวลาเราจะเปิดไฟเราต้องทําไงเราต้องสวิตช์พอเราเสวิตช์ไฟก็ติดขึ้นมาถ้าเราอยากจะดับไฟแล้วก็ไปปิดสวิตไฟนั้นก็ดับ ความอยากนี้ก็เป็นเหมือนสวิตของความทุกข์พอเราไปอยากปับ๊บความทุกข์ใจไม่สบายใจมันก็เกิดขึ้นมาทันีพอเรารู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากแล้วความดับทุกข์ก็เกิดจากการดับของความอยากเราก็ดับความอยากเราก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของความทุกข์ใจได้ ตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันอยู่ในเรื่องอยู่ในเรื่องของทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนี้ยทำงน้นนี่คือการทำงานของของพระ อ, อริยสัจสี่ทำงานไปพร้อมๆกันเลยทั้งสี่ประการพอทุกเกิดปัจจิตปัญญาคือมรรคก็ต้องเข้ามาวิเคราะห์ดูว่าเป็นอะไรทำไมถึงไม่สบายใจเพราะอะไร ก็อยากให้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่อยากจะทุกข์ถ้าอยากจะดับทุกข์ก็อยากไปอยากให้จิงนั้นจิงนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเช่นฝนจะตกตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาตกไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาตกก็ตกอย่างมากก็เปียกถ้าไม่อยากจะเปียกก็ไปหาที่หลบฝนได้เรื่อมก็กางได้ มีรถก็เข้าไปนหลบนั่งอยู่ในรถก็ได้มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรือถึงแม้ว่าจะเปียกจะนั่งอยู่ท่ามกลางฝนก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะใจมันไม่ได้เปียกไปกับร่างกายไม่ฝนนี้ทำอะไรลนะใจของเราไม่ได้ทำได้ก็แต่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเองนี่คือการใช้ปัญญาวิเคราะห์มรรค นักเป็นผู้กำหนดว่าทุกนี้เกิดจากอะไรแล้วเมื่อรู้แล้วก็เป็นผู้ที่กำจัดต้นเหตุของความทุกข์ก็คือระงับความอยากพอความอยากได้รับการระงับไปความทุกข์ก็หายไปที่รดแต่ว่าความหายของทุกข์ก็หายไปนี่คือ เรื่องของพระ อ, อริยสัจสี่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรทงแสดงไว้อย่างนี้ว่าทุกต้องกำหนักรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทําให้ปรากฏขึ้นมามรรคต้องเจริญให้มากนี่คืองานในพระ อ, อริยสัจสี่พอเกิดความทุกข์ปั๊เราต้องเจริญมรรคทันทีต้องพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาทันที เมื่อพิจารณาแล้วเรารู้ว่าเกิดจากสมุทัยเราก็ต้องละสมุทยัยพอละสมุทยัยนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาความอยากทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานี่คืออริยาาสัจสทํางานอยู่ภายในใจของเราแต่ส่วนใหญ่มันทาเพลงแต่ด้านเดียวคือด้านทุกข์กับสมุทยัยเวลาเกิดความทุกข์ ก็แทนที่จ ะ, จะเจริญนักก็ใช้สติปัญญาพิจารณาว่าตอนนี้เรากำทุกกับเรื่องอะไรก็ดันไปทำตามคําสั่งของความอยากความอยากบอกว่ า, วาทุกข์เพะ อ, อยากจะดื่มเหล้าก็ไปหาเหล้ามาดื่มเห็นแทนที่จะจะจะระสมุทยัยจะกลับไปเพิ่มสมุทยัยคือไปทําตามความอยากแล้วเป็นอย่างไง มันก็เลยต้องเดื่มสุราไปจนวันตายเลือกไม่ได้ถ้าแม่ถ้าแม่เห็นโทษของสุราไม่เห็นโทษของความอยากดื่มสุราว่าเป็นเหตุของความทุกข์ใจจะเลิกไม่ได้แต่ถ้าเห็นโทษว่าเห็นเห็นว่าการดื่มสุ ر านี้ความอยากดื่มสุ ر านี้เป็นเหตุของความทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นการเจริญนักขึ้นมานะครับใช้สติปัญญาวิเคราะห์แล้วว่า ความทุกข์ใจของเราเกิดจากการอยากจะดื่มสุรายางาพอเราเลิกดื่มสุรายางเราได้แนละ้วความทุกข์ใจก็หายไปความอยากจะดื่มสุราก็หายไปาาหมดต่อไปเรื่องของสุรานี้ก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากจะดื่มเพราะเข็ดนั่นเองรู้แล้วว่าความอยากดื่มสุรานี้เป็นเหตุที่ทำให้ตนเองต้องทุกข์ทรมานใจ ดังนั้นเราต้องพยายามเจริญรอยตามที่พระพุทธเจ้าทรงได้บันเทนมาพราะองคทรงตรัสว่าทุกที่ต้องกําหนดนิ้วตถาคตได้กําหนดปีแล้วสมุทัยที่ตํางละตถาคตได้ละแล้วนิโรธที่ต้องทําให้แจ้งตถาคตได้ทําให้แจ้งแล้วมรรคที่ต้องเจริญให้มาก ตถาคตได้เจริญแล้วถ้าเราเจริญมรรคได้เต็มที่แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะละสมุทยัยทุกครั้งที่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะมีมรรคมากจาจัดสมุทยคือความอยากต่างๆได้ ท, ทันทีพอสมุทัยถูกกำจัดแล้วทุกที่เกิดขึ้นก็จะดับไป ต่อไปใจก็จะมีแต่นิโรธตลอดเวลาคือความดับทุกตลอดเวลาเป็นเป็นพระนินี่านไปขร้นทีานก็คือใจที่ไม่มีความทุกข์อยู่เลยจะเป็นไดน้กเ็เพียงแต่ใจของพระอรหันต์เท่านั้นพระอริยบุคคลท่านอื่นถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ไม่มากแต่ก็ยังไม่หมดถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็ ม, มีน้อยกว่าปุถุชนอย่างพวกเรามาก แต่ก็ยังไม่หมดมีเพียงพระอาหารหันต์ท่า น, น, นที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยเพราะท่านได้เจริญมักเต็มร้อยเอร์เซนนั่นเองส่วนพระโสดาบันพร ะ, สะเสด็จพระปิดาคามีพระอนาคามีนี้ท่านยังเจริญไม่ได้ครบร้อยถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งในสี่ พระสกิรนานีก็ได้สองในสี่พระอนาคานีก็ได้สามในสี่ส่วนพระอรหันต์นี้ท่านจะริมร่มมกรได้สี่ในสี่คือได้ครบร้อยดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือการเจริญมักรนี้เองเพราะมารรนี้จะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการกำรัดรู้ทุกในการละสมุทัย ในการทำนิโรธให้แจ้งนี้เองอยู่ที่มรรคมรรคก็คืออะไรพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ว่ามีแต่จากอาการด้วยกันคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดที่ถูกต้องแล้วก็สัมมา กรรมนต์ตคือการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชิวะอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามะคือความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติคือการคือการระลึกที่ถูกต้องการระลึกรู้ที่ถูกต้อง สมาสมาธิคือการตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือมรรคที่พวกเราต้องเจริญกันพระ อ, องค์ก็ทรงแสดงมรรคให้มันง่ายขึ้นด้วยการจับแบ่งเป็นสามจำพวกด้วยกันคือทานศีลและภาวนาสำหรับผู้ที่ยังต้องให้ทานอยู่ คือผู้ที่ยังมีสมบัติเข้าของเงินทองก็จําเป็นที่จะต้องให้ทานไปก่อนต้องละทรัพย์การยึด ต, ติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองส่วนสีนี่ก็เป็นสัมมาวาจากับสัมมากรรมโตคือการพูดและการกระทําชอบโดยไม่ถึงสัมมาอาชีโว เจอมีอาชีพที่ถูกต้องมีสัมมาอาชีพเช่นไม่ค่าตัดตับชีวิตไม่รักทรับไม่ตะพูดปิดตะแยนีไม่พูดกดไม่ไม่มีอาชีพที่ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของผู้อื่นนี่จะเป็นองค์ประกอบของสีนหรือสัมมาวาจาสัมมากรรมโตและสัมมาอาชีวะ ส่วนภาวนานี้ก็เป็นเป็นส่วนของสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนสมาธิก็มีสติและสมาธิก่จะมีก่จะมีสมาธิได้ก็ต้องเจริญสติก่อนคือต้องดึงจิตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ให้ระลึกอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับการกระทําของเราที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเรากําลังทำอะไรให้จิตเราเระลึกรู้อยู่กับการกระทํานั้นๆอย่าให้จิตเราไประลึกรู้ถึงเรื่องต่างๆเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดีเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมาในอนาคตก็ดีไม่ให้ทําเลยอย่าสนใจไปในอดีตหรือไปในอนาคต ให้อยู่แต่ในปัจจุบันนี่เป็นการเจริญสติหลังท่านก็ใช้การบริกรรมพุทโธเป็นการดึ ง, จ, ดงจิตดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันเพราะเวลาที่บริกรรมพุทโธพุทโธจิตก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องต่างๆได้นั่นเองการเจริญสตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันหลายรูปแบบแต่ในเรื่องต้นนี้ทรงสอนให จเจริญที่กายให้ตั้งสติที่กายหรือให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปในขณะที่เราดําเนินชีวิตประจําวันของเรารยพยายามควบคุมความคิดของเราให้คิดให้น้อยที่สุดให้คิดเท่าที่จําเป็นจะต้องคิดเพราะว่าในการทํำงานต่างๆเราจะเป็นที่จะต้องคิดเรื่องนั้นคิดเร่องนี้แต่ขอให้คิดเรื่องที่เป็นสาระเรื่องที่เป็นความจําเป็นต่อการ ดำเนินชีวิตของเราอย่าไปคิดเพ้อเจ้าไปคิดฝันอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากมีอย่างนั้นอยากมีอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความคิดต่างๆเหล่านี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่กําลังทํางานก็ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรางานที่เรากําลังทําอยู่กํำลังทํากิจ ของเราอาบน้ำอาบท่าล้งางหน้งานงก า, า, ายปารฝันรับประทานอาหารเดินไปไหนเดินมาเดินไปเดินมาก็ให้มีสติให้รู้อยู่กับการทา ง, งานของเราจิตของเราก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเวลาที่เราต้องการให้จิตสงบรวมนงเป็นเอกตาวมเป็นอุเบกขาก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายเราหาที่สงบ นั่งขัดสมาตตั้งตัวให้ตรงแล้วก็หลับตาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจให้สติควบคุมจิตให้อยู่กับการบริกรรมไม่นานจิตก็จะรวมนองเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นเอกตาเป็นอุเบกขาอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิที่ถูกต้องสา ม, มาสมาธิถ้าสงบแล้วออกไปรับรู้เรื่องต่างๆ ไปรู้เรื่องของการทิพย์รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ไปเที่ยวเราล็อกไปเที่ยวสวรรค์อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเรียกว่าเป็นนิจฉาสมาธิถึงแม้จะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งก็ตามแต่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาต่อการเจริญสัมมาทิพยิสัมมาสังกับตัวที่เราจําเป็นจะต้องเจริญต่อไป หลังจากที่เราออกจากสมาธิมีแล้วเพราะถ้าเป็นสมาธิที่ไม่นิ่งมีการรับรู้เรื่องราวต่างๆเวลาออกจากสมาธินี้ไปใจจะไม่มีกำลังกิเลสจะไม่ได้ถูกกดเอาไว้จะไม่ได้ถูกถูกขีดยาสลบทกออกจากสมาธินี้ไปพอเรื่องคิดตูงต่างกิเลสก็จะมา ควบคุมความคิดตุนแต่ตงของเราทันทีมันจะฉุดลากให้เราคิดไปในทางโลกทันทีเราจะไม่มีโอกาสที่จะดึงจิตให้มาคิดทางสัมมาทิฏฐิทางสัมมาสังกัปปะเลยก็คือการพิจรร า, ารณาพระอริยสัจสี่หรือพิจรรารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยจะถูกี่เลสตัณหาพาให้ไปคิดเป็นสมุทยัยเป็นทุกข์ไป แทนที่จะเป็นมัคเป็นนิโรธก็จะเป็นการทํางานของสมุทัยกับของความทุกข์ขอเจาสนาที่ก็อยากจะไปดื่มเครื่องดื่มต่างๆแล้วนี่ก็เป็นกิเลสแล้วเดื่มน้ำฉเฉยๆต่อปากไม่ได้ต้องดื่มน้าที่มีรสชามีกลิ่นมีสีหรือไปรับประทานขนมนมเ น, มนยต่างๆทงั้งๆ ท, ที่ยังไม่ใช่เวลารับประทาน ด้นานการของเรานี้ยเราให้เรับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอเพียงกับการอยู่แล้วแต่ถ้าเรารับประทานมากกว่า น, นั้นก็แสดงว่ามันรับประทานด้วยความอยากไม่ได้รับประทานด้วยความจำเป็นด้วยความต้องการของร่างกายมันก็เป็นสมุทัยขึ้นมาเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเวลาจิตรวมลงแล้วสงบนงิ่งว่า เ็นเบกขาจากแต่ว่ารู้อย่างนี้ถ้าเน้นแน่งนงานท้าหลังก็ยิ่งดู่อจะทำให้กิเลนี้อ่อนกำลังหน่อยต่างเวลาออกจากสนาีิแบบนี้มาจิเลสจะไม่มีกำลังที่จะสุดลากขจุดให้ไปคิดทางสนิทาทางทุกข์ได้เราก็สามารถที่จะดึงมาคิดในทางมักได้ ขึ้นในทางไกลลักคิดในทางอนิจจ์ทุกขังอนัตตาคิดในทางอาริยสัจสี่ล่าคิดว่าความอยากต่างๆนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เราพอเราอยากจะต้องการอะไรเราก็ต้องถามเลยว่าเป็นความอยากนี้เป็นความจำเป็นถ้าเป็นความจําเป็นนี้ไม่ถือว่าเป็นสมุทัยเพราะร่างกายต้องมีปัจจัยสีญญส่ให้ดูแลรักษา ถ้าไม่เช น, นั้นก็จะหยุดไม่ได้นี่คือการใช้ปัญญาจเจริญปัญญา ด, ด้วยเหตุด้วยผลพอรู้ว่าเป็นความอยากไม่ใช่เป็นความจําเป็นเราก็ตับมันได้เลยเพราะเรามีกํำลังมีสติมีสมาธิมีปัญญาความอยากที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเรามันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ เรื่ความอยากเดือราอนี้จะไม่เกิดขึ้นมาในใจเราเลยถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราเจริญสัญญาได้รับราได้ว่าความอยากชดือนี้ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่เลยหรือแม่จะเคยติดเดือมามากแล้วเขินอายแค่จะมันจะไม่มีกําลังสร้างความอยากขึ้นมาเพราะใจของเรามีมรรคนั่นเองมีมรรคคอยคุณ ตัวสมุทัยพอมันคุมได้แล้วต่อไปความทุกต่างๆมันก็จะเบามางลงไปและในที่สุดมันก็จะหมดสิ้นไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการเจริญนักนี้ด้วยการน้อมเอาพระอริยบัจสี่ของพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในจิตในใจของเราเสมอ เวลาที่เราไม่สบายใจทุกใจเราอยากไปแก้กข้างนอกให้เราเข้ามาแก้ข้างในแก้ความอยากของเราเช่นตอนนี้กลัวเปียกก็หยุดไม่ต้องกลัวมันให้มันเปียกไปตอนนี้เราจะฟังคำเราจะนั่งฟังคำตั้งใจฟังใจไม่เปียกไม่ต้องกลัวร่างกายมันเดี๋ยวตอนเย็นกลับไปบ้านหนังงาก็ต้องเปียกอยู่ดีเปียกตอนนี้กับเปียกตอนที่อยู่ห้องน้ามันก็เปียกเหมือนกัน อยู่ที่ใจว่าพร้อมจะเปลียกยังไม่เปี่ยกใช่ไหมเ่ยถ้าพร้อมจะเปียกมันไม่มีความทุกข์อกมันมีความสุขเวลากลับบ้านได้อาบน้ำทำไมมีความสุขทําไมตอนนี้อาบน้ำต้องทุกข์ด้วยเพราะใจมันไม่พร้อมที่จะเปียกทั้งนั้นเองดงั้นตอนนี้มันจะเปียกแค้มันเปียกแต่ทำใจให้พร้อมไว้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่ทุกข์จะมีความสุขเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นคือความทุกข์ ทุกชนิดมันอยู่ในใจของเราเราต้องแก้ที่ใจของเราเราอย่าไปแก้ท้างนอกเพราะแก้ทํางนอกแก้ไปเท่าไหร่มันก็ไม่จดเพราะว่ามันไม่ได้จะแก้ที่ต้นเหตุเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราอยากจะฆ่าขึ้นม้เราต้องขอนรากถอลเคนมือเราอยาา่าไปตัดกิ่งกล้านตัดไปเท่าไหร่เดียวมันก็งอกขึนน้นมาอีกถ้าเราอยากจะทำลายต้นไม้ต้นนี้เราต้อง ตัดมันรั้ถอนรากถอนโคนมันขึ้นมาเลยแล้วมันจะไม่มีทางขึ้นมาได้อตัดไปแต่ถ้าเราไปตัดตี่งก้านของมันที้ไงไว้ไม่นานเดี๋ยวมันก็แตกแขนงยากขึ้นมาอีกดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะดับความทุกอย่างถาวรเราต้องตัดความอยากต่างๆทัง้งหลายให้หมดไปจากใจซึ่งมันก็มีอยู่สามตุ่มด้วยกันคือ การมาคัญหาความอยากในรูปเขียงเก็บรถแล้วภาวาคันหาความอยากมีอยากเป็นตอนนี้เราก็มีแล้วก็เป็นอยู่นะให้พอใจกับการมีการเป็นของเราอย่าไปอยากมีอยากเป็นมากไปกว่นี้ตอนนี้เราเป็นอะไรก็ขอให้เราพอใจแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทุกข์แต่ถ้าไม่พอใจเช่นตอนนี้เป็นประชาชนธรรมดาอยากจะไปเป็นสอสอ อยากจะเป็นวัฒนตรีอยากจะเป็นนายยกลัดมนตโมีมันก็ต้องไปวุ่งวายต้องไปวิ่งเต้งไปหาเสียงต้องเสียเงินเสียทองต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมแทนที่จะดับคามทุกข์กลับไปสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปกแล้เราต้องรู้จากคำว่ามักน้อยสัมโดเยินดีตามสภาพของเราตามมีตามเกิดเรียกว่าสัมโดฐานะของเราเป็นอย่างไร เรามีอะไรอย่างไรก็ให้พอใจยกเว้นเรื่องของธรรมะเท่านั้นเราสัมโดดไม่ได้เพราะว่าเรายังขาดธรรมะมากธรรมะเป็นที่พึ่งของเราเราต้องดึมากยังเออที่พูด น, นี้หมายถึงยากยุติประสงค์สุดทางเรื่องของทางโลกขอให้เรามีสัมโดดตามมีตามติดแต่เรื่องของธรรมะ น, นี้อย่าไปน้อยสัมโดดต้องโลกให้มากมาต้องอยากให้ได้ากมาก ต้องอยากปฏิบัติธรรมมากๆอยากจะเจริญมากมากๆเดี๋ยวทางเทศสองธรรมแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นข้าใจติดไปหาว่านางน้อยสำหรับก็เลยไม่ต้องทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปเลยนอนเฉยๆนอนเฉยๆมไม่ช่วยเราการนอนนี่มันก็เแบบพแต่พักผ่อนน่ากทานั้นเองนอกจากนาี้ยานมันไม่เป็นประโยชนย์ดังนั้นก็ขอให้ท่านผ เราเลือกถึงพระอริยสัจสี่อยู่เสมอให้รู้ว่านี่แหละคือคือหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นรากเหงของพระพุทธศาสนายความสอนของพระพุทธเจ้าทีบ่บทที่บาปนี้ออกมาจากพระอริยสัจสนี้ทั้งนั้นถ้าเราศึกษาไปล้วปฏิบาตาัติไปเราจะรู้เองว่ามันเป็นอย่างนี้นจริงๆและจะเป็นที่พึ่งของเราได้ จะช่วยเราให้เราหลับทุกได้เพื่อทำให้เราสิ้นสุดการเวียนว้ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อกต่อไอันนี้จะขอขอวิจิตรไว้ั่วทร้าวเคื่อท่านที่เกิดคนอเากเกะียดพยาย เมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากจะสร้างศาลาใหม่นี่ก็เป็นความอยากเลยนะ <c oughs> เป็นการสร้างความชุกชนะื่นการสร้างศาลาหลังก่อนจะเสร็จเนี่ยมันวุ่นวายขนาดนี้แล้วมันไม่พอหรอกพอมันใหญ่ขึ้นคนก็มามากขึ้นอีก <c oughs> มันก็ต้องสร้างขึ้นไปอีกเนะื่องหนึ่งนั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแก้ปัญหาก็ต้องปรับความอยากของเรา ให้มันสมดุนกับความจริงถ้าเรารู้ว่ามาแบบนี้คนมันมากจนไปเราก็ต้องตัดการมาของเราหน่อเพราะเวลาก่อสร้างนี้ก็รบกวนท่ามือท่าที่อยู่ที่พันาคนที่ก่อสร้างนี้เขาไม่รู้จัดทำว่าสงบเั็นาะ เราไม่รู้จักทาว่าระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างไรมาแล้วต้องมาปวดหัวกับการคอยเก็บข้าวของที่เขา ท, ท, ทําซึ้งกันไปต่างๆนานาคกอไม่อยากก่อสร้างเลย น, นั่นก็จ mm hmm. ะบ่นว่าพยายามหนีเรื่องก่อสร้างตลอดเวลาเพราะพระพเจ้าท่านก็ไม่เคยสร้างวันดนอกแต่วันเดืยนถ้าที่ศึกษาจาก แยากเข้ า, ากจไปเดียวก็มีแา่ศรัทธาญาติายามที่มีศรัทธาสร้างช่อโวงไม้เศรษฐีทั้งหลายพอหลวก็ส่งไปตรวจไปใช้ให้เขาเป็นทัง้ ง, งกลาทางพ่อหลวงไม่ทรงอยู่ที่ไหนประจันแต่สมายก่อนพวงต้องต้องต้องเปลี่ยนที่อยู่เ ร, ยเรื่อยเพื่อที่จะได้ไปเ้าแผ่พ่อทำคำสอนให้แก่ ผู้ที่ยังไม่ได้มีอการได้ยินได้ฟังเพราะมักจะไม่อยู่จำพรรษาหลายหลายหลายพรษาในสถานที่เดียวกันอยู่ทักระยะหนึ่งนั้วก็เปลี่ยนกันย้ายไปอีกเมืองย้ายไปอีกเมือย้ายไปอีกเมืไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อสร้างวัดวาอารามทรงสร้างแต่พระอาริยเจ้าเท่านั้น สมัยพระพุทธการเป็นข้าพระเจ้างานลำบากเยไปลงไหนก็เดินชนกันปสมัยนี้ก่อจะหาได้เจอพระองค์มีลำบากเดินหากันแทบเป็นแทบตาเพราะไปสร้างเงินกันไปสร้างเจดีย์ไปสร้างโบสถ์ไปสร้างศาลากัน ไปสร้างอะไรมากมาก่ายกองแตไม่เคยเข้าทางตรงกลงมที่เดิมไม่นับสมาธิเดินตรงกลมไม่เกิดวิเวกกันเห็นหลวงตาท่านเป็นตัวอย่างนะอนจารย์นะท่านไม่ได้สร้างอะไรคนเคยอยากจะสร้างโบสถวายท่านขงเบงคงไม่เอาด้วยใช่เมื <c oughs> ่อสมัยที่ตอนนั้นยังอยู่ก็ต้องหลาไหว้ศีล้วยนะทนะ <c oughs> ่านก็เคยเล่าในหลวงท่านก็อยากจะสร้างถวาย แต่เมตตาก็บอกกับแต่ว่าถ้าสนใจเรื่องการสร้างคนสร้างพระมาก่าการสร้างท้า ว, ะวะัรแวว่าีเพราะบสถนี้มันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่มีความสำคัญนอนกจากเป็นที่ใช้หลแบแดดหลบฝนทำรรพิธีกรรมการทําพิธีกรรมนี้ไม่มีบสถ์ก็ทำมด้ขอให้สลวงกํำหลดสีมาเส่มาขึ้นมาคพัดสีมาขึ้นมาว่า บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ทาำกิจของกิจกรรมของสงฆ์ว่เป็นสิ่งมาขึ้นมาเป็นโบสถ์ขึ้นมาเพราะพระก็ต้องมีสังกัด ท, ที่ต้องทำเช่นภ่าตัดิโลกแล้วก็การบวชพระก็ต้องมีที่เป็นบริเวณของพระมาให้ผู้อื่นเข้ามามาว่วมเกือ้อควรการกระทำที่กิจกรรมต่างๆนี้เท่านั้นเองนั่นก็คือเจตนาลงท้องาร มีสถานที่ไว้ประกอบพิธีกรรมแต่ไม่เคยเน้นเรื่องความหรูหราเน้นความทุสเดาในเรื่องของวัตถุเลยที่ตรงไหนก็ได้เพียงแต่กําหนดบริเวณขึ้นมาเพื่อไปหาป่าตรงไหนสร็จตรงนั้วก็บรรลาเนี่ยกว้างเทนี้ยาวเทนี้เป็นเป็นเป็นเป็นสีลาก็เป็นขึ้นมา แลวเวลาทำทาพิธีการบวชพระก็ไปบวกคนนั้นทุกรครั้งแต่ละครั้นงนี้เป็นขั้นต้นจิกตายตัวทุกครั้งหรือเปล่าไม่ทราบหรือว่าเปลี่แปลงได้แล้วแต่ท่านจะพิจรารณาก็ก็มนุษย์เราตั้งขึ้นมาได้แล้วก็เปลี่ยนได้ผมจะพู้กําหนดสมก็เลิกได้เขาคบางทีก็มีการสวดทถอนก่อนแล้วถ้าสวดเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าในอดีตที่ตรงนี้ที่ตั้งวนนี้มี มีมีมีผู้อ่กำหนดไว้เป็นสีมาเรื่องแา้วก็มีในในพิธีสวบยกเลิกสีมาเก่ อ, อก่อนแล้วก็แล้วก็ยักติสีมาหม่ขึ้นม แต่ตัวรูปร่างของอาคานนั้นมันมันไม่มีู่ในพระธรรมคดีไม่ได้กำหนดไว้ว่าจ ว, าวต้องเป็นทรงไทยทรงจีนทรงอะไรคือแคจะเป็นพื้ น, น, น ท, ทีนน่ป่าอ่าต้องเป็นด้านเลยเป็นบริเวณไม่มีหลังคาไม่มีอาคารจะได้คือเพื่อจะได้ไม่ให้คนอื่นเข้าปายุ่งยากใ น, นา <c oughs> ข <c oughs> าะที่ทําประทับที่ การใช้เต็มหลบท์เขียนสมัยก่อนง่ายมากเรื่องเรื่องวัตถุทาวร ว, วัตถุติที่ว่าสายก็ถ้าไม่มีก็อยู่ตามคนไมก้กันหาหากลิ่นงกลิ่นไม้หาอะไรมาเกาะมาสร้างกันพอให้มันเป็นเพลิงหลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่กันได้ละหรือไปอยู่ตามข้าวอย่านี้ พรอสมัยนั่นท่านรุ่งไปที่งานภาวนานนเนี่ยเดินโยนกลมนั่งสมาธิแต่ละถ้ามาสร้างถาวรวัตถุนี่มันกินเวลามากเสีเวลามากแล้วเวลาชีวิตของเรานี่มันไม่แน่นอนสมานไม่ได้ถ้าภาพตายนี้ตายก่อนนี้โอกาสทอง น, นี้ก็จะหลุดจากมือไป ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ไม่รู้ว่าจะได้โชคกับพระพุทธศาสนาอีกหรือเปล่าเพราะพระพุทธศาสนานี้ น, นานจะเกิดขึ้นมาแตกครั้งหนึ่งแล้การที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่ใช่ว่าเกิดมาทุกวันที่ไหนนานๆก็จะกลับมาเกิดแต่ครั้งหนึ่งเนื้อจังหวะของการเกิดของพระพุทธศาสนากับการเกิดของเราที่มาเป็นมนุษย์นี้มันจะตงรกงกันได้แค่กี่ครั้งกัน เลองดูศาสนาพุทระหว่างศาสนาพุทธนี้เวลามันห่านกันเป็นกลับแล้วเราต้องเห็นว่าตายเกิดในภพน้อยภบใหญ่อยู่ในระหว่างนั้นพอมีศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงนั้นเราจะได้มาเกิดตัวมนุษย์นี้ป่าวเราก็ไม่รู้หรือได้ได้มาเกิดแต่กับไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาอยู่เหมือกับคนเยอะแยะในโลกนี้ที่ ภาวาศาสานาพ่กเป็นศาสนามงมงานสอนให้คนงม ง, งาและสมัยไม่ทันสมัยเ <Okay. S 1> นี่ยคนู่ต้องเยอะแยะทาให้เห็นคุณค่าของวัฒนารราก็เป็นเหมือนชวบัวใต้น้ำบัวที่อยู่ตามโคนอยู่อยู่อยู่ในต้นก้นบึงของของดึงนี่แหละ ก็จะกายเป็นอาหารของของปูของกลาไปไม่มีโอกาสที่จะเจริญงองงามโผขึ้นมาเหนือน้ำได้พวกที่มีโอกาสก็พวกที่มีศรทัทธามีความเชื่อในพระพุทธศาสนานี่แหละเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมทำสอนเชื่อพระอริยสงเจ้าลยแล้วก็พยายนามปกาาิจสการดำเนินเดิ น, ด น, ดนตามเท่าที่จะ ทำได้ตามกําลังของสติปัญญาวิรยิยะความภาคเพียงของแต่และท่านก็จงมีคามเหลื่อมล้ำต่างกันไปเพราะสติปัญญาภาคเพียงของแต่และค น, นก็มีไม่เท่ากันนะบางคนก็ไปได้ไกลกว่าบางคนก็ไปไม่ได้ไกลแต่ก็สามารถที่จะ เพิ่มมันให้ขึ้นอย่างไรเรื่การเข้าหาพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆเรื่องการให้มีความใฝ่ในธรรมให้มีความยินดีในธรรมมีเวลาว่างเวลาใดถามใจถ้าต้องถามเใจว่าจะทำอะไรดีก็ลำเหล่าว่าเข้าหาธรรมะดีกว่าจะอ่านหนังสือธรรมะก็ได้จะเปิดเทปธรรมะฟังก็ได้ หรือจะปฏิบัติธรรมะเลยก็ได้ให้มาทิดอย่างนี้อย่างนีอย่าไปคิดถึ ง, ง, ง, งว่าตอนนี้ทำอะไรดีตัดโทรทัศน์หรือไม่ดูละครดีไหมตัดแทงฟังดีไหมตัดตู้เย็นหาอะไรกิ น, น <c oughs> กดีไหมถ้าที่อย่างนี้เขาเราไม่ฝ่ายทำไม่ยินดีในธรรมยินดีในรูปียงกินตัว เพรนั้นก็จะทําให้เราไม่จเจริญก้าวหน้าในทางธรรมต้องคิดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเรานะชีวิตของคนเรานี้มันจะดับไปไม่ไหวก็ไม่มีทางเร้ที น, นี้เราเหมือนกับได้รับอนจจุญาตจากมหาเศรษฐีให้เราเข้าไปในห้องเก็บทรัพย์ของเขา เขาบอกต้องการอะไรหยุดไปเลยคุณจะมานั่งนั่งนอนนอ น, น, อนดูนมไมไม่มีคว้าใส่ถุงใส่ย่ามแล้วขนต่ับไปบ้านจะดีกว่าเลยมานั่งดูมันทำไมแค่เช่นเดียวกันนี่แหละอธิยักษทรัพย์นี่เนี่ยนักขนเุกทางพระพุทธเจ้าทา่านสรนเปิดตู้เซฟให้พวกเราเข้าไปขนกันละถ้ายัางขี้เกียจเมื่อเสร็จก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว ก็จะเป็นเหมือนไก่ได้พรอยไก่นันไม่ชอบพลอยไม่ชอบไส้เดือน่วกเราที่ไม่ชอบนับส่วนนิทานกา็คอยอเหมือนกับเราชอบไส้เดือนชอบดูเสียงจิตเรบชอบราเริงรรรถสนุกสนานถ้าชอบแบานี้ก็ต้องก็ต้องเป็นอี่างนี้ตลอ ถ้าคิดถึงการจากไปของาาครูบาอาจารย์ของเราเป็นการตึงสติชีวิตของเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเักวั น, เ, นเราไม่ควรตำหนิเราควรที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆเห็ความไม่เที่ยงแท้ของของชีวิตของเราถ้าเรายังมีความกลัวการสูญเสียชีวิตของเราอยู่เราก็ต้องเจเริญปัญญาให้มาก พิจารณห้เห็นว่าร่างกายนี้เกิดมแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรางการนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ําลมไฟเป็นเหมือนตุ๊ ก, กตาตัวนี้ที่เราได้มาจากพ่อแม่เราใช้ทุ๊กตาตัวนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขหาความทุกข์ให้กับเราส่วนใหญ่เราจะหาความทุกข์กันมากกว่า เนี่ยเอพราะความหลนอของเราเพราเราไม่รู้ว่าความสุขยั้เป็นอย่างไรเราไปเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขชีวิตของเราจึงมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแม้ทั้งที่เราหาความสุขกันตลอดเวลาแต่เรากลับต้องเจอความทุกข์กันตลอดเวลาเพราะว่าเราขาดความรู้ ที่จะสอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอยางไรตอนนี้เรารู้แล้วแต่เราขาดความเพียงขาดความกล้าหาญที่จะหาความสุขที่แท้จริงเพราะก่อนที่จะได้ความสุขที่แท้จริงนี้เราต้องเหนื่อยเราต้องลาบากถึงจะได้มาซึ่นพระพุทธเจ้านี้ต้องออกจากวางังห จะไ ด, ขข ไ, ได้ความสุขที่ทนีม้า ม, มาถ้าอยู่ในวังแล้วจะไม่ได้ความสุที่แท้จริงเลยคนที่อยู่ไนอยู่ในวังแล้วต้องมาอยู่ในป่า ใ, ใ้เขาอยู่แบบขอทางนี้มันทุกข์ยากลําบากขนาดไหนแต่ทำไมท่านทำกันได้เพราะท่านมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่านี่เป็นการหาความสุขที่แท้จริง ทล้ในที่สุดทั้งก็ได้ความสุขที่แท่จริงเป็นปวมันคงสุดงเป็นความสุขถาวรที่ถาวรไม่มีวันหมดขึ้นไปความสุขที่อยู่ในวางนั้นมันก็มีแค่ชั่วอายุไขหรือไม่หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกเขาโค่นอำนาจไปก่อนก็ได้ความสุขนั้นก็หมดไปเช่นช่วงนี้ได้ข่าวเรื่องของประเภทต่างๆที่มีการ โค่อนอำน้าของผู้คลองบ้านคลองเหมือนกันเพราะมันไม่เที่ยงไยมันถึงเวลามันก็หมดได้บางทีเนะยยังไม่ทันตายเลยก็หมดอำนาว่าสนาได้หมดความสุขได้แต่ถ้าเรายอมทุกข์ยอมสลับความสุขเล็กๆกน้อยๆยที่เรามีกันนี้เพื่อไปทำเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า แต่เราต้องยอมยอมยอมทุกข์ยอมยากยอมลนบากอย่าไปกลัวความทุกข์ความยากความลนบากแบบนี้เลยเพราะมันเป็นคุณมันเป็นประโยชน์เพราะมันจะทำให้เกิดความสุขที่ที่ดีกว่านั่นเองเหมือนกับการการกักษาโรคภัยไข้เจ็บเราเป็นโรคใี้เราร่างกายเราเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา หมอเขาบอกว่าถ้าอยากจะหาก็ต้องเจ็บตัวเนีย่ยต้อง ท, าทาง่าตัดเอาสิ่งที่เป็นปัญหาออกจากร่างกายไปเราก็ยอกต้องยอมทนจ็บเพราะเราอยากจะหาจากความเจ็บแต่ใดถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงเราอยากจะพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องยอมเจ็บตัวกันบ้าง เก็บตัวแบบพระที่ท่านปฏิบัติท่านก็ต้องอยู่กันแบบอดอยาครับแพง ท, ทงทั้งที่นมงมากก็ยังต้องมาคับตัวเองไม่ให้มีมากแม้อาหารจะจะฉันนสามส า, ส า, ส า, ส า, า, เามเื้อก็ฉันได้ยาติโยมเอามาถวานี่เก็บไว้ฉันถึงเย็นถึงอาทิตหนึ่งก็แล้วกั แต่ก็ต้องทําใจเอาแค่มื้เดียวพอฉันหยุดแล้วก็ยกให้คนอื่นไปยามอดข้าวเย็นยอมผิวตอนเย็นเยน็ในวิธีการนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเป็นการระ ง, งับความหิวเพราะความหิวก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นมันไม่ได้หิวที่การมันหิวที่ใจหิวที่ความอยากเนื่อพอเราทําใจให้สงบความอยากนั้นก็ถูกระงับต่างชั่วครา ความหิว 99% มันก็หายไปก็เลยไม่รู้สึกหิวเลยความหิวเพราร่างกายเพียงปอร์เซ็นเดียวเท่านั้นเองเช่นเดียวกับความเจ็บของร่างกายก็เช่นเดียวกันเ mm. วลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดหรือเว ล, ล า, นานั่งสมาธิไปนาแล้วเกิดอาการเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ความเจ็บของร่างกายนี้เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นแหละแต่ความเจ็บของใจนี่นมัน 99% เหมือ น, นกันที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกาย จะทนไว่ได้เพราความเจ็บของจากที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายนี้หายไปหรืออยากจะหนีจากความเจ็บของร่างกายนี้ไปด้วยการขยับตัวด้วยการเปลี่ยนทิศทางตัวนี้ต่างหากที่เป็นตัวปัญหาถ้าเราสามารถควบคุมความอยากตัวนี้ไม่ให้มันออกมาทํางานได้แล้วความอยากความเจ็บของร่างกายนี้จะรู้สึกเหมือนเหมือนกับเข็มฉีดยา เวลาหมอบอกจะฉีดยานี่มันทุบขึ้นมาในใจก่อนแล้วยังไม่ทันขีดเข็นเลยแต่พอหมอฉีดเข้าไปจริงๆก็เจ็บนิดเดียวมันเจ็บที่ใจามากกว่าแต่พอเรายอมใจเรายอมให้เจ็บพั๊บมันก็ไม่เจ็บเลยเจ็บนิดเดียวดังนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิใจเรเกิดอาการเจ็บเราต้องควบคุมความอยากมหนีจากความเจ็บนี้ไปให้ได้ ก็มีสองอุบายด้วยกันอุบายหนึ่งก็คือการบริกรรมพุทโธบริกรรมไปให้ถี่เลยอย่าไปคิดถึงความเจ็บมันจะเจ็บปอนมันเจยบไปเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่อะไรสำคัญทั้ง้นให้มันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวถ้ามันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่นานความเจ็บทางใจนี้มันหายไปหมดเนี่ยแล้วความสงบก็เกิดขึ้น เรากบความเจ็บที่ที่เราอยู่ที่กายมันก็หายไปหมดเพราะมันไม่ได้อยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจนี่เป็นอุบายของสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธคหรือถ้าจะใช้อุบายของปัญญาก็คือพิจารณามันไปเลยว่ามันเจ็บจริงหรือเป่างใครบอกว่าเจ็บมันบอกว่ามันเจ็บไม่ว่าเราไปบอกว่ามันเจ็บมันไม่ได้บอกขนาดว่ามันเจ็บเราเองต่างหากที่ไปบอกว่ามันเจ็บถ้าเราไปบอกว่ามันไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บ แต่เราไปบอกว่ามันเจ็บแล้วเราเชื่อมันก็เลยเจ็บขึ้นมาเวลาเรานั่งดูหนังฟังเพลงน ะ, ะปวดปัสสาวะยังไม่ย้องสุเดเจ็บอยากจะลุกก <c oughs> ็ยังไม่อยากจะลุกเลยก็อยากจะดูต่อมันก็ดูได้มันก็นั่งมันก็ทนเจ็บได้เพราะใจมันไม่เจ็บใจมันมีความสุขประการดูหนัง งั้นต้องให้รู้ว่าความเจ็บของร่างกายนี้แม่ว่าจะมากน้อยเสี่งยงแร้ใจเรารับรู้ได้เพราะใจไม่ได้แต่ร่างกายแต่ที่มันรับไม่ได้กเพราะใจไม่อยอมรับเองใจจะปฏิเสธนั่นเองใจอยากจะหนีจากความเจ็บนั้นหรือกลัวความเจ็บมันก็เลยทําให้เกิดความเจ็บขึ้นแรงขึ้นมาภายใจเราต้องแก้ตัวนี้ให้ได้ด้วยการทําใจยดีสู้เสีย่ยงไว ดูมันไปในขณะนี้เราก็ยังนั่งอยู่ได้เจ็บเราก็ยังนั่งอยู่ได้ก็นั่งดูต่อไปเน้นเป็นไรเมื่อกี้อยากจะลุกทําะไรตอนนี้พอเรารู้ว่ามันเจ็บมันส่วนใหญ่เจ็บอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่กายพอเรารู้อย่างนี้ว่ามันจันก็มีกําลังใจที่จะสู้ต่อก็นั่งดูมันต่อไปปล่อยมันเจ็บไปใจเราอยากไปเจ็บเราอยากหนี้จากมันไปแล้วกันอยากอยากให้มันหายอย่าให้มีความอยากทุกชนิดอยู่ในใจของเรา พอเราทำางนี้ได้แล้วต่อไปมันก็จะเกิดอาการอุเบกขาขึ้นมาปล่อยวางแล้วถึงแม้ว่าอาการเจ็บที่มีอยู่จะไม่หายไปแต่ใจของเราก็จะเฉยๆกับมนไม่มีการรู้สึกหวาดกลัวหรือทุกข์ทรมานใจไปอย่างเดียวถ้าถ้าแค่ได้วิธีแล้วต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อเพราะเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับเขาแล้ว คือเราต้ารับเขาเราไม่ไปปฏิเสธเขาไม่ไปขับไล่าสายสงหรือไม่ไปวิ่งหนีจากเขาเราทําใจชู้เสือทําใจเป็นอิเบกขอยู่กัมันไปมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะมามันจะไปนี่เราไปห้ามมันไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ไปกับมันได้ถ้าเราทาเลินไม่ได้แล้วต่อไปเรามันจะไม่มีความกลัวความเกลียต่อไป เวลาเจยบปวดที่ร่างกายนี้มันไม่ต้องรับประทานยาแก้เปวดเพราะมันไม่ทิพมันไม่ปวดเหมือนกับคนที่ไม่มีไม่มีอุเบกขาที่มันปวดมากๆที่มันทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะที่ร่างกายที่ใจล่ะฮะใจมันปวดมากมันก็ทนไม่ได้เพราะมันกลัวความเจ็บของร่างกายมันอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปมันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา มันต้องกินยาแก้ปวดเพื่อให้ความเจ็บของร่างกายนั้นหายไปหรือเบาบางลงไปแล้วความกลัวความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะเบาบางลงไปด้วยแต่ถ้าเราทำใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางความเจ็บของร่างกายได้มันจะไม่รู้สึกทรมานใจมันไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินยายานี่กินไปก็ไม่ดีกินไปก็ติดยาแก้ปวดนี้กินไปมากๆเข้ามันก็ติด ติดได้มันก็มีผลเสียหายนอกจากสิดได้มันก็มีผลกระทบที่ไม่ดีกับร่างกา ย, ยด้วยยังใช้ธรรมะโอสถนี้ว่ตใช้ธรรมะโอสถเป็นยาแก้จวดเวะลานั่งสมาธิเวาเจ็บก็อย่าไปนิสิตยายามนั่งสู้กับมันไปเอยวไมไ่สู้แบบให้มันหายหรือจะเอาชนะมันสู้แบบยอมรับมันยอมเป็นเพื่อนกับมันแคนั้นเอง เหมือนกับเราไม่ชอบที่หน้าใครไม่ชอบคนไหนนี่เวลาเขามานั่งใกล้ๆเราเนี้เราจะรู้สึกยังไงขยะขยงอยากจะ เ, เขาไปแล้วเราอยากจะลุกหนีจากเขาไปแต่ถ้าเราทําใจให้เฉยๆได้เราก็จะรู้สึกเฉยๆ เ, เขาจะมานั่งกานั่งไปเรื่องของเขาเราไม่เดือดร้อนดังนั้นปัญหาก็กลับมาที่ใจเราเนี่ยกนั้นที่ความอยากนี้ทุกอย่างอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นอยู่ที่ความอยากของเราทัง อยู่ที่ใจของเราปล่อยวางไม่ได้เป็นอุเบกขาไม่ได้ทั้งหมดเเราถึงต้องทำสมาธิก่อนเพราะเวลาทำสมาธิแล้วจิตจะเป็นอุเบกขาเราจะได้รู้ว่าอุเบกขาเป็นยังไงพอเรารู้แล้วเวลาเราออกจากสมาธิเราก็ประครับประคองอุเบกขานั่นต่อไปเวลามีอะไรจะดึงใจให้ออกจากอุเบกขาแล้วก็ดึง ม, มันกลับเข้ามาสู่อุเบกขาด้วยการปล่อยวางสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆ ความอยากของเราที่อยากจะให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำให้เราออกจากอุเบกขาต่งพอเรารู้ว่าเรากำลังจะออกจากอุเบกขาแล้วเพราะเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้แล้วก็กลับเข้ามาที่อุเบกขาแล้วก็ปล่อยเขาไปเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาไปเราก็จะเฉยได้เขาจะดีเราก็ล้วก็เฉยได้เขาจะชั่วเราก็เฉยไ ด, เยยได้เราจะไม่เดือดร้อนกับความดีความชั่วของเขา เขาจะด่าเราเราก็เฉยเขาจะชมเราเราก็เฉยแต่ถ้าเราอยากจะให้เขาชมเราพอเขาด่าเรานี่เราก็จะออกจากอุเบกขาแล้วเราจะทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีนั้นการัำสมาธิสําคัญมากเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่รู้ว่าอุเบกขาอยู่ตรงไหนนั่นเองาการของเราก็จะแกว้งแตงระวังระวังรักกับชังสุขกับทุกข์ ชอบกับเกลียดแต่มันจะไม่อยู่ต้องการเพราะมันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไห น, น, นเวลาทำสมาธิแล้วเกลียดรวมลงมเป็นอุเบกขาแล้วทีนี้ออกมามัรู้แล้วออุเบกขาเป็นอย่างนี้เองและนี่คือตัวที่เราจะต้องรับจากนี่แหละคือทรัพย์ของเราที่แท้จร่งนี่แหละคือความสุขของเราที่แท้จริงพรเวลาจิตเราอยู่ในอุเบกขานี้มันจะมีความสุขมันจะไม่มึนวายใจมันจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆ ทีนี้พอมันจะออกไปจากนี้ครับตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาถ้าปัญญามาวิเคราะห์ว่ากระยุ่งกับเขาทำไมเราไปควบคุมบังเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้อย่างฝนเมื่อกี้ใช่ไหมเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาหยุดไม่ได้สั่งให้เขาจบไม่ได้แต่เราสั่งให้ใจเราเฉยๆกับเขาได้เขาจะจบ้ก่จบเขาจบไปตอนนี้เขาหยุดเขาก็หยุดขอครับแต่ใจเราไม่ได้ไปดีใจไปเสียใจไปวุ่นวายไปกับ การมาและการไปของส่วนต่างๆท่านพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนศีล ส, สมาธิปัญญาแต่คนสมัยนี้มักจะคิดว่าสมาธินี้ไม่สําคัญให้เจริญปัญญาเลยที่เจริญปัญญาแต่ั้นรู้ว่าเจริญเพื่ออะไก็เจริญเพื่อให้ไม่เป็นอุขานี่เพื่อปล่อยวางแต่เมื่อไม่รู้ว่าการปล่อยวางอยู่ตรงไห น, นมันก็ มันก็จะไม่มีทางที่จะปรงถล่อยวางได้มันก็จะหลอกตัวเองว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วแต่จยังยังทุกข์ยังทรมานอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราดำเนินนักเจริญนักให้มากของพวกเราก็มีอยู่สามคือทานศีลและภาวนาภาวนาก็แบ่งเป็นสองตอนคือสมาธิและปัญญา ถ้าเป็นนักบวชท่านก็ให้จเจริญเสียงสมา ธ, ธิปัญญาเพราะทานกหรับนักบวชนี่มันหมดไปแล้วนักบวชไม่มีสมบัติข้าของเงินทองแล้วนอกจากบวชเป็นยามาแล้วมีบารมีมีคนก็เอาข้าวของเงินทองมาถวายให้ตอนนั้นก็ทําต่อไปจต่ไม่ได้ทําไม่ได้ให้เสือเป็นงานหลักงานหลักของนักบวชก็คือเสียงสมา ธ, ธิปัญญางานงานหลักของนักปฏิบัติก็ญญ ก็เช่นเดียวกันก็คือเสียงกับพาง า, านทางเราก็พยายามทำให้มากที่สุดทำให้หมดไปเลยได้ก็ยิงดินจะได้หมดภาร ะ, ะไปหมดปัญหาไปนั้นก็ที่บ้าจะหยิดชัว่วทาแล้วพักเดินหน้าหน่อยอืจ ปกติที่ร้ามีจัดทุกศาสารับูกค้าจัดที่ศาสนาอะไรไหมที่นี่ไม่มีอะที่ร้านียงร่านเขามีที่พักให้พักแล้วก็ให้ลองโดดช้าเย็นว่าถ้าสวยน้อยแค่ไหนทำสมาธิกันคื เขาให้มาทัก ไ, ได้คั้งแล้วไม่ไม่ เ, เกินเจีดวันนี่ในหนังสือกำลังใจที่จะมีหน้าประวัติของวันที่จะมีหมายเลขโทรกับไม่อยากจะจองที่พักก็โทรมาจองที่พักได้ ปฏิบัติของเราเนี่ยว่าเราปฏิบัติเองที่บ้านเนี่ยเราจะตรวจสอบตัวเองได้ยังไงครับว่าน้างด้านหน้ามันหาีขึ้นดูที่มเราอาเราาขึ้นเร่เบาลงคา่งยาใจของเรานี้น้อยลงไปนี้มากขึ้นดูที่เราเรา สบายใ จ, จใส่วางได้รับกับสิ่งต่างๆที่เกิขึ้นกับเราได้ก็แสดงว่าเรากล้าถ้าเรารับกับสิ่งต่างๆ ไ, ได้แสดงว่าเราเล้ยงได้มากางปฏิบัติก็เพื่อให้เราอยอมรับความจริงว่าไม่เยอะไรเป็นไปตามความคาการเรมาล่วมไปเพ ได้ไสาอ่า <tang> น <ar> ิวการทำคิวได้น <Tamam>. ้ำอนางอ่ะเลยสองเล่มคิธรรมาัหยชุดกีสเ็ดเล่มเลยคอาจารย์นะ สรับคนที่เคยเกิดได้เลยต้องอ่านนะไม่ใด่เอาแปลว่างไม่ได้คุณ <c oughs> อ่านอยู่ค่ะอาจารก็เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยเรามีเหตุการณ์แล้วเราผิดเราถดถอยขึ้นมาพอเราย้อนเข้าไปปฏิบัติต่อเนี่ยคือเราสามารถพอตั้งสติเราสามารถจะต่อยอดหรือต้องนับหนึ่งใหม่ก็ทำเท่าที่เราทําได้นีเราทำอะไรได้เราก็ทําไป เข้าใจไหมหมายถึงว่าเราไม่ต้องกลับคือคำว่ากลับไปเลื่อนต่อยอดนี้มันไม่มันไม่สคัญเาทำของเราต่อไปเราทำเราได้ก็ทำต่อไปเม่อเราเรารับประทานอาหารเราประทานแล้วหยุดไปพราึงไม่ได้ว่าเราจะกลับมารับประทานต่อหรเล่ามันไม่ได้กลับไปที่เริ่มต้ดนี้ต่อยอดแล้วก็ทำไปการกาลังของเราขณะนั้นเราทํรายได้เราก็ทำไปเรานั่งทำงานที่ได้เราก็นั่งไป ถ้านั่งไม่ได้เราก็เอิดธรรมะความไปก่นอกนหรือสวดมนต์ไปครับแล้วลุกขึ้นมาเดินจงกรมควบคุมจิตัจให้อยู่กับการเดินของเราไปก็ได้มีการปฏิบัติมันมีหลายหลายหลายรูปแบบด้วยกันแต่มันก็จะสนับสนุนกันเสริมกันขึ้นอยู่กับว่าเราจิตของเราในขณะนั้นมีกําลังมากน้อยเพียงไรบางครั้งก็มีกําลังมากก็สามารถปฏิบัติ ได้มากได้สูงบางครั้งก็มีกําลังน้อยก็ปฏิบัติได้ต่ำเหมือนการร่อนยนต์เวลาร่อนยนต์จะออกถ้ามันอยู่ถ้ามันจอดอยู่เฉยเวลาออกก็ต้องใช้เกียร์หนึ่งถึงจะออกได้แต่ถ้ามันวิ่งเร็วแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช้เกียร์สาเกียร์สี่ไปนั่นก็อยู่ที่สภาพจิตของเราในขณะนั้นว่ามันเต็มเงาเป้าหมายของเราคือเราต้องการควบคุมอารมณ์ของเราให้กลับมาเป็นปกติ คือถ้าเรามีความว้าวุ่นขื่นโม่เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีทำให้ใจเรากัมาเป็นปกติจะใช้วิธีด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธเพื่อให้ลืมเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เราเกิดความว้าวุ่นขุงนโม่นะเราจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ไปเลยว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราห้ามมันไม่ได้เหมือนฝนฟ้าฝนตกแดดออกเราไปห้ามสอนไม่ได้ปัญหาเราเป็นอยู่ที่เราไปอยากให้ต้งองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เองถ้เราวิเคราะห์ได้เห็นว่าปัญหามันอยู่ที่ใจของเรา ถ้าเรามาแก้ปัญหาที่ใจของเราดับความอยากของเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะกลับมาเป็นปกตินะการปฏิบัติก็เพื่อรักษาความเป็นปกติของใจนี้นไม่ให้ทุกข์ไม่ให้รุนวรงกับเรื่องารองาวต่างๆนี่เปนแต่ว่าเราต้องทําไว้ล่วงหน้าก่อนฝึกไว้ก่อนสร้างไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่ทําไ้เลยวเวลาเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะไม่มีกําลังไม่มีวิธี ที่จะดึงใจให้กลับมาสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็วบางทีจะต้องปล่อยให้เวลาหนึงค่อยๆดึงใจกลับมาเสถ่ยสภาพปกติซึ่งบางท่านก็นานแล้วก็ท้อในใจมากแต่ถ้าเรารู้จักวิธีนี้เราสามารถที่จะดึงกลับมาได้ภายในไม่กี่นาทีก็ได้พอรู้ทันปั๊หรือว่าเอ้ยเรากำลังบ้านะอยู่บ้าชั่วทีให้มันก็หายมันก็หายบ้า รือบ ну. oh, mm ้าเพ่ออยากจะไปให้จัดการกับเขาอยากจัดการกับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราแสดงว่าเรากำลังบ้าเลยเราต้องปล่อยเขาเขาอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาไปเราอยวไปบ้าเราต้องถักกลับมาที่ความเป็นปกติของใจเราครับเมื่อใจเราเป็นปกติแล้วที่เรามีความจำเป็นในกองจัดการกับเรื่องเราก็จัดการจัดตามความสามารถตามตามความเป็นไปได้ ถ้าจัดการได้ก็จัดการไปจัดการไม่ได้ช่วงเวลายัยางไงยังไงเราต้องรักษาความเป็นปกติของใจนะวางไว้เป็นหลักก่อนแต่วาวบางทีเราไม่รู้ว่าใจเราไม่เป็นปกติบางครั้งไม่รู้เลยเพราเราไม่ค่ได้ดูใจเราเรามื่อจะดูสิ่งอื่นๆต่างๆภายนอกที่เป็นตัวทําให้ใจของเราบ้าคืออะไรโดยที่เราไม่รู้สึกเว่าเรากำลังบ้า เั้นพยายามหยุดย้อนกลับมาดูที่ใจเราดูอารมณ์ของเราว่าตอนนี้เป็นปักติหรือเปล่าปล่อยวางได้หรือเปล่าไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างการได้หรือเปล่าได้คอยอยู่ตรงนี้ไหมสงบไหมหรือว่าวุา่นขื่นมือม่อการปฏิดัติขอเราจะวัดก็ว่าตรงนี้วัดดูว่ามันเป็นปกติมันสงบมันไม่วุ่นวายหรือเปล่า เราต้องพยายามทำอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้มีเครื่องมือมีกำลังเราเราเราเราไปปฏิบตัติฟางที่เกิดเหตุการณ์น้นเราจะไม่มีไม่มีทางที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีสตินะเรางงะไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ถ้าเราฝึก้องไว้ก่อนเรามีปัญหาขึ้นมาเราจะรู้เราจะรู้วิธีการแก้ไขปัญหาของใจเราทันที คการที่เราจะไปแก้ข้างนอก แ, แก้ยังไงก่อนแก้ปัญหาที่ใจเนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักพยายามไปแก้ข้างนอกโดยโดยลืมมาแก้ที่ใจขางเรายิย่งแก้ข้างนอ ก, กยิ่งวุ่นวายใจอ่ะก็ยิ่งไปแก้อ่ะกรณีที่สุดก็เป็นบ้ากันเตสติกันถ้าตัวตายก็าเพราะอย่างนี้เขาทาอะไรไม่ได้ทางใจ ต้องแกทุกใจต้องหยุดความอยากของใจให้ได้พอหยุดความอยากของใจได้ข้างนอกจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นปรญหาแต่ถ้าหยุดไม่ได้ความอยากนี้มันจะต้องทําให้เราอยากให้ข้างนอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะยิ่งทุกขามานจะขึ้นไปอันนั้นที่สุดคนอยู่ไม่ได้ให้เราต้องฝึกต้องซ้องไว้ก่อน ต้องนั่งสมที่ต้องเดินจงกรมต้องพิจารณาเรื่องอนิจังทุกขงังอนัตตาไว้ก่อนสอนใจว่าทุกสิ่งก็อย่างนี้เรื่องนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราไปได้ตลอดอย่าไปยุ่งกันจะดีกว่าถ้าไปยุ่งแล้วใจวเราจะวุ่นวายถ้าเราไม่ยุ่งแล้วเราจะสบายใจนี่เป็นงานที่เราต้องฝึกพร้อมทําไว้ก่อน พอเราไปอยู่ในเหตุการ์เราจะได้ปล่อยวางได้ทันแก้ไขปัญหาของใจเราได้ทันการปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ใช่แต่จะปฏิบัติเฉพาะเวลาที่เกิดเหตุการ์ขึ้นมาใมันไม่ทันการเหมือนาหารต้องฝึกซ้อมการต่อสู้ไว้ก่อนการป้องกันประเทศไว้ก่อนพอเวลาเกิดฝึกสงคารามเกิด สตวบุกเข้ามาจะได้รู้จักวิธีรับกับเหตุการณ์ได้แต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อน้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราจะสับสนพุ้นวายัจทำไม่ถูกนี่คือการการดูผลขอกงการปฏิบัติของเราครับถ้าเราปฏิบัติกล้าวงง่าล้วใจของสติปัญญาของเราจะไว แล้วเราสามารถจะดับความวุน่นวายใจความทุกข์ใจต่งางๆได้อย่างรวดเร็วความโกรธก็จะดับได้อย่างรวดเร็วความเสียใจก็จะดับได้อย่างรวดเร็วความท้อแท้ใจก็สามารถดับได้อย่างรวดเร็วจึงแต่ทางนี้มันเป็นอะไรธทั้งนั้นมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรมันเป็นเหมือนอาคมตุกตาผู้ที่มายเยือนเราสลับกันมาอยู่เรื่อยๆ เ, เราต้องรู้จักวิธี ปฏิบัติประกอบคือการจงริ้สติตลอดเวลาทำอะไรก็ให้ควบคุมใจของเราไนวะ่อย่าปล่อยให้ใจของเราคิดด้วยเกิดเพราะการคิดด้วยเปลือนี่แหละเป็นตัวเ ป, เ ป, นวเ ป, เป็นตัวสร้างปันหาคิดไปแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมนาะก็จะเกิดความทุกข์ความขมวดใจขึ้นมนาะอย่าไปคิดเลย ถ้าจะคิดกนะ็้มันในในเรื่องของความจริงคิดว่าไม่ดีอะไรเป็นของเราอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความจริงที่ว่าเกิดมาเราต้องเราต้องตายอย่างนี้มันเป็นความจริงถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะทําให้ใจเรามีมีมีมีสัญญาที่จะสามารถมาแก้ความหลงของเราได้ความหลงของเรานี่มักจะคิดว่าเราไม่ตายเราจะอยู่ยตลอดเวลา โดยทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมอยากจะไปอยู่อยู่ไปนานๆแต่พอเกิดเหการะไรที่มามากระทบกับการเป็นอยู่ของเราเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาทันทแต่ถ้าเรามีความจริงรู้ว่าเราพระวันก็ต้องตายพอมีอะไรมากระทบเราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันก็เพียงแต่เป็นสัญญาณบอกว่าใกล้ตายเข้าไปแล้วนะท่นั้นเอง เราก็เตรียมตัวเตรียมใจว่เพาะยิ่งถ้าเรามีปัญญารู้เล็กเข้าไปว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเรายิ่งจะไม่มีปัญหาอย่าใหญ่เลยเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงตุ๊กตาตัวนที่เราได้มาจากพ่อจากแม่เอามาใช้เป็นเครื่องมือทํามาหากินหาความสุขหาความทุกต่างๆพอร่างกายนี้มันตายไปอก็เหมือนกับเสียตุ๊กตาไปตัวหนึ่งท่านเอง เราไม่ได้เสียตัวเราไปเพราะใจเราไม่ตายใจผู้รู้ผู้สั่งการนี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย้าใจยังมีความอยากอยู่ก็ไปหาร่างกายไปเกิดใหม่แล้วก็มาอยู่แบบนี้ต่อไปอีกรอบหนึ่งอยู่เป็นอย่างนี้มาหลายหลายแสหลายล้านรอบแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อไม่อยากจะกลับมดเกิย ก็จะตับความอยากต่างๆที่เป็นเหตุของการให้สัตว์เกิดนี้ให้ไปจากกันก็เกิดจากการเจริญสตินั่งสีาธเดินจงกรมทุกข์ฌาตปัญญาอนี้เอแล้วมันจะเกิดความความเห็นที่ถูกต้องเกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดตัญยาเห็นว่าความสุข คามทุกข์แท้จริงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถดับความทุกขทั้งหลายให้หมดไปได้แล้วก็เหลือแต่ความสุขอย่างเดียวที่อยู่ภายในใจของเราพอเราถึงขั้นนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเดิตรงกลมไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องจเจริญสติเพราะการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการจเจริญ ปัจนี้เป็นยารักษาโรคใจคือความทุกข์ใจพอโรคได้รับ ก, การรักษาจากยานี้จะหายขาดแล้ว mm. ก็ไม่ต้องกินยาต่อไปกินไปก็ไม่ได้ทำองานให้เกิ mm. ดประโยชน์การปฏิบัติทางศาสนาจึงมีวันสิ้นสุดมีวันหยุดมีวันหมดไม่ใช่เป็นงานที่ไม่มีวันขึ้นสุดเหมือนกับงานทางโลกงานทางโลกนี้ต้องทําไปจนวันตาย ใจมันหยุดไม่ได้อยู่ที่เฉยแล้วมันไหนืมันรู้สึกว่ามันไม่ดีคุณภาพไม่มีคุณค่าต้องหาอะไรทําไปเรื่อยๆเหนืน่อยใจเหนือยขนาดไหนก็หยุดไม่ได้มีปต่อำนาของกิเลส ม, มันผลักมันให้เราเป็นพางงานในทางทแล้วก็ไม่ได้เป็นงานที่เป็นประโยชน์กับความสุขความทุกข์ของเรามันไม่ได้เป็นงานที่ชั่งทางเสร็แบบความทุกข์คามใจของเรา แต่เป็นการในงานที่สร้างความทุกข์ให้ในใจของเรามีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสร้างภพชาติให้มันมียาวขึ้นไปดังนั้นก็ให้เราให้ความสำคัญต่อการทํางานของทางฌานส ม, มุนดอนสติดอนจงกรมนั่งสนามาธิจิตนาอานิสจส์ทุกขงังอนัตตารักษาสิ่งที่มำดีให้ทางนี่แหละเป็นงานของเรางานที่จะ กดเรื่องความทุกข์ตลายให้หมดไปจากใจงานที่จะสร้างความสุขที่าวนให้กับใจเราไปตลอดไม่มีวันสิ้งสุดอยู่ที่งานนี้งานที่พระพุทธเจ้าได้ทำมาแล้วแล้วก็ได้มอบมาให้พวกเราทำทากันเพราะทรงเห็นว่าพวกเรายังไม่รู้จักความจริงนี้นั่นเองถ้าไม่สอนก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ด้วยตนเอง จึงต้องเสียเวลาเป็น 4.5 ปีด้วยกันสั่งสอนญาตโยมพระเมรุเทวดาทุกวันพุทธกินนจ5ของพระเจ้ามีอยู่5ประการตานบ่ายทรงสังสาางส่งสอนข่าวรายญาติโยมตอนข้าสั่งสอนพระภิกษุสัมมนเมรตอนเด็นสั่งสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกทรงบินระบาดก็เรียงยานดูว่า วันนี้จะไปตรวจสางขัยก่อนเพราะคนนั้นที่จะไปตรวจพร้อมพร้อมที่จะรับกับคำสอนพร้อมที่จะบรรลุธรรมท่านก็จะไปตรวจคนนั้นก่อนแล้วก็ส่งออกบันระติบาตตรวจก่อี่เป็นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติตลาดสี่ถห้าพรรคน้านลุ้งไปที่การถอยแผ่ธรรมะสั่งสอนธรรมะเพราะเป็น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มีคุณค่ามากไกว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เองวันพวงเราถือว่ามีโชคมีวาชนาที่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนนี้แนละ้วเทียนหนังสือที่พวกเรารับไปนี้ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการสืบทอดมาด้วยการปฏิบัติจากอาจารย์สุรุกฤษอาจารย์ยุนอาจักร อาจารย์องค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมลูกศิษย์ก็คือเท่าสาวโกทั้งหลายพอพังธรรมแล้วนำไปปฏิบัติก็มีดวงตาเห็นธรรมแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็นำมามาสอนลูกศิษย์ติต่อลูกศิษย์ก็มีดวงตาเห็นธรรมก็ไปสอนผู้อื่นต่อไปก็ถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ต้องถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาก่อน ได้ยินได้ฟังก่อนแล้วก็นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลคือมาผลนิพพานจากนั้นก็เอาไปสอนผู้อื่นต่อไปนี่คือการสืบทอดนละการรักษาพระวจนาสง า, า, าให้คงอยู่กับโลกใบนี้อยางอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัตินี้ยเพาะนั้นตอนนี้ผู้เรามีหน้าที่อะไรก็ขอให้ทำหน้าที่ของเราสัก มีหน้าที่ศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติก็ศึกษาไปปฏิบัติไปยังไม่มีหน้าที่สั่งสอนก็อยากพึ่งไปสั่งสอนเพราะจะเสียเวลาเพราะสั่งสอนแบบคนตาตาตาบอดหูหนวกตาหูหนวกตาบอดต่างของต่างก็ไม่เกิดประโยชเพราะทําที่เราได้ศึกษานี่ยังไม่ใช่เป็นคําแท้เป็นคาที่ยังเป็นจินตนาการอยู่เราอ่านแล้วเราก็คิดว่าถ้าพไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ถ้าเราเสิ่งที่เราวาดภาพนี้ไปสอนคนอื่นมันก็จะเป็นภาพที่ไม่ตรงกับความจริงก็ะจะทําให้คนอื่นเขาวาดภาพไปผิดตามแบบต่านงนั่นตอนนี้เรายังไม่มีหน้าที่สั่งสอนกันหน้าที่ของเราตอนนี้คือสั่งสอนตัวเราเองด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติจน ก, กว่าเราจะเห็นทำที่พระเจ้าทรงทรงเห็นแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปสั่งสอนผู้อื่นต่อไป ถึงโซดาบานแล้วนี่ต้องต้องกลับมาเกิดอีกหรอคะถ้าโซดาบานนี้ยังตัดความอยากไม่ไม่ตัดได้เพียงบางส่วนยังมีความอยากหลายประการที่ท่านยังตัดไม่ได้ท่านต้องปฏิบัติต่อไปือถ้าท่านปฏิบัติอย่างเข้งมงวดกวดฉันภายในชาตินี้ท่านก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ท่านต้องเสียชีวิตไปก่อน หรือว่าภูมิปัญญาของท่านหรืเหตุการณ์บัญญาไ ม, ไม่สามารถให้ทําทำให้ท่านต้องปฏิบัติต่อได้ท่านก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ไม่ เ, เกินเจ็ดชาเป็นอย่างมากท่านก็จะสามารถทำ ง, งานนี้จนสาเร็จได้บรรลุปเป็นพาาาระอรหันต์ได้ไม่เกินไม่เกินเจ็ดชาอันนี้เป็นการข้อคำพูดแสดงเลยถ้าขยับขึ้นไปท่านยังเป็นพระ สกิรดาคารีนี้ก็จะกลับมาเกิดไม่เกิดอีกชาติเดียวเป็น อ, อย่างมากถ้าขึ้นไปขั้นที่สาเป็นพระอนาคามีท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะท่านตัดปัญหาเรื่องของความอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้หมดแล้วถ้ากิรดาคารนี้ยังมีความอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ พราท่านยังมีความอยากในการยอยากมีคู่ครองยัอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เช่นหมแบบพระโสดาบันแต่ถ้า อ, อนาคาตนี้ท่านได้จเจริญอสุภาพธรรมฐานจนเกิดความเบื่อหน่ายในรูปรน้าหน้ า, น า, น า, นาตาของคนไม่ไม่ไม่เห็นว่าสวยงามเหมเหมือ น, น, มนเมื่ อ, อนนก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ตอนที่ยังไม่ได้จเจริญอริยภาพธรรมฐานนี้เห็นหน้าจะเห็นหนารูปรน้าหน้ า, น า, นาตาสวยงาม แต่พอพิจารณาเข้าไปข้างในเห็นอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นสิ่งเป็นสิ่งปฏิภูมิต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายที่ถูกขับออกมาตามพวันต่างๆก็จะเกิดความขยะบขยันแทนที่จะเกิดความกำหนัดยินดีก็กลับเกิดความขยะบขยันไม่อยากจะเข้าใกล้และยิ่งพิจารณาเป็นทราบผลแล้วก็ยิ่งไม่อยากช้ะ รวมหลับนอนด้วยเลยความกำหนัดยินดีคือราพระสรีฐานนี้ก็จะหมดไปจากใจของพระอ น, นันตครมท่านก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ติดต่อไปเพราะท่านไม่ท่านมีความสุขที่เหนือกว่าคือความสุขในในความสนงบของใจงที่เรียกว่าเป็นฌานเป็นท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมเพราะจิตที่มีฌานนี้เป็นระดับของพรหมนั่น และท่านก็จะสามารถปฏิบัติบรรลุเป็นพระอังหนันได้ในสวรรค์ชั้นขมนั่นเองนี่นก็คือเรื่องของขอ ง, ของพพชาติที่จะน้อยลอยงไปเรื่ที่เกิดจากการได้ปฏิบัติได้เจริญอริยมรรคอริยผลถ้าปฏิบัติเพ่งทานสีนแล้วก็สมาธินี้ยังยังไม่ได้เข้าขั้นพระอริยผลอริยมรรค ก็จะถ้าตายไปก็ยังต้องกลับมาเรียนว่าตายเกิดเหมือนเดิมเช่นท่าจาข ง, จงของพระเจ้าเสด็พระองค์ท่านไม่จะเริยนถึงขั้นสมาธิได้ช้าแต่หลังจากที่ท่านตายไปตายไปแล้วท่านก็จะไปเกิดในสวรรั้นสูงแต่ความคมสวรรค์ขั้นสรงบาง่านนี้มันเสื่อมลงมาได้เพราะมันขึ้นไปด้วยกําลังของสมาธิ มันไม่ได้ขึ้นไปด้วยกำลังของปัญญาเหนือนของพระอญญาานุชาธรรมุนมันต่างกันพ้าอนุาธรรุได้ชั้นผลด้วยการชำนะใจชำระจิญญเลสที่เป็นตัวทาให้ใจไม่สมงบพอชำระตัวการมราคะออกไปจากใจใจนี้ก็สับเป็นธรรมชาติของมันเองเป็นฌานของมันเองโดยโดยอัตนมนิมิตไม่ต้องมานั่งบ่อยกรรมพุทโธแห่งกระสินให้ติดสงบเหมือนกับผู้ที่จะเรียนสมาธิ โดยไม่ได้ใช้ปัญญาเขาต้องใช้การบ ร, ร, ริกรรมพุทโธหรือเพ่งกระสิทนทํำใจให้สงบเป็นฌ า, านการอย่างนี้ม่มีวันเสื่อมได้ถ้าเสื่อมแล้วก็จะลงมาจากชั้นคงมาถึงชั้นเทศแต่ชั้นเทศจะลงมาเป็นเมล็ดหนึ่งพระพุทธเจ้าคนอทรงต่ดญาตเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้สอนได้บอกท่าอาจารย์สองลูกนี้ว่าวิธีทําให้ใจไม่ต้องสื่นกับมาเกิดใหี่เป็นอย่างไร เพาท่านตายไปก่อนแต่ถ้าท่านยังไม่ตายแล้วพระพุเจ้าไปสอนสแสดงบอกเรื่องอริยผลอริยามรรคให้ฟังนัรองว่าท่านจะสามารถบรรลุเป็นสโสดาบาันเป็นพระอรได้ในขณะที่ฟังนั้นเองเช่นพระปัญญาวัตถีทคือรงติดการพระพิทเจ้ารับใช้พระพิทเจ้าพอพระพุทเจ้าสอนแสดงว่าทำครั้งแรกก็มีอพระลูกหนึ่งได้บรรลุเป็นพระสโสดาบัน ท, ทันที มล้วหลังจากนั้นทรงแสดงก็ทําอีกครั้งสองครั้งก็ได้บรรลุเป็นพระหราษฎรทั้งหมดเดียวันพ้อมกันห้าลูกด้วยกันนี่เป็นอำนาจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้ที่จะทําได้ไม่มีใครสามารถทาได้เพราะปัญญาขนาดนี้ต้องเป็นระดับของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนิสานัตตาเห็นท่าอริยสัจสี เนั้นการที่เราได้มาเกิดที่ได้มาพบกับท้องทุกข์ต่าขปัญหาแล้วที่นั้นอย่าปล่อยให้ก็าอาริยสัจสเ่อย่าอให้อานิจจังทุกขังอนัตตาห่างไกลจากใจเราเราต้องพยายามเจริญอยเรื่อยๆคิดถึงอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้สติมรณาที่ของเราได้ถูกต้องแลาจะได้เสร็จงานนี้ได้อย่างรวดเร็วองค์เจ้าทรงทำนายพยากรณ์ได้เลยว่า เจ็ดวันไม่เจ็ดปีนะถ้าปฏิบัติการอย่งเต็มที่เจเริยนสติการอย่างเต็มที่เจริยนกายมากเกอเนื้อยะสัิ์สิ่งการอย่าง เ, ง ต, าาเาาต็มที่ไม่เจอเจ็ดปีเปนอย่างมากถ้าฉลาดก็เจ็ดวันถ้าส า, ามวันบรรลุได้ถ้าฉลาดมากขยันมากดังนั้นท่านไม่คงไม่ร ง, งปฏิเสธว่าคนนั้นคนนี้เป็นตายไม่ได้เลยถ้าไม่เคยพูดเลย พวเราไปพูดกันเองกันว่าเราเป็นใจไมได้เองทําไมตัวปฏิเสธ ต, ตัวเาเองทําไมท่านนั้นที่ทรงกริจการไม่ทรงปฏิเสธเลยท่านทรงเห็นว่าพวกเราทุกคนนี้มีเศษมีการสามารถาเท่าเทียมกันไดแต่ขา้าวลาว์ได้ทั้งนั้มันไม่ดีที่การเป็นพระนี้เป็นค้าวลาว์อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุดปฏิปันโนุจุปฏิปันโายะ ปฏิปันโนสามีทิปฏิปันโนอยู่ที่สี่พ่อใทะเลไทยก็ได้แต่นายพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์มีทุกมีทุกเพศทุกวั<ม>ยเด็ด ก, ก, ก็มีสามเณรกันภารว่าก็อย่างพรว่าจสดจยาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เจ็ดวังก่อนจะเสด็จสอนคตนี่ยอำนาจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย มหาพจากกน์อย่างนี้ตอนที่ไม่มีพระเจ้ามาตัดสินนี่ไม่มีใครบรรลุอริอยผลอริามรแม้แต่คนเดียวแต่พอทรงมาตัดสดูแนละ้วมาประกาศสอนพระธรรมคำสอนนี้แนละ้วมีพระพระอริยสงฆ์ราวองคนี้เป็นจำนวนหมื่นจำนวสขึ้นมาอย่างรวดเลยวเหมือนตอนพวเราอยา อย่าลืมคุณค่าอันตะอสของพระธรรมคำสอนนี้คอยเราฝ่ศึกษาเยีนดีศึกษาเยีนดีปฏิบัติแล้วเราจะไม่ผิดหวังชีวิตนี้เราจะได้กำาลอย่าอย่าอย่าเป็นฝ่ที่ได้พรแล้วก็เขีย่ยทิ้งไปตัวแต่เขีย่ยหาแต่ไข่เดือนคือหาความสุขทางกางหรืกำหดเรื่องกลานีน้คือไข่เดือนสำหรทกเราส่วนี้ ทอยก็คืออริยมรรคอริยผลที่เกิดจากการปฏิบัติทางศีลภาวนาเราเราก็เขิงขึ้นไปเขีย่ยขึ้นไปเราก็จะได้ตัวไส้เดือนตัวหนอนมาเป็นอาหารซึ่งมันมีทั้งกิงเข้าไปแล้วก็ทําให้ท้องเสียต้องถ่ายพอไปติดรูปเสียงกรดแล้วก็ต้องมาทุกข์ร้องห่มร้องห้างเวลาสามีตายจากไปก็เข้าตกที่ใจเวลาสามีแอบไปมีหอหรือก็ร้องห่มร้องห้าง คอความสุดที่พวกเราหากันพยามองเห็นความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่เด้วอเพื่อที่เราจะได้ไม่อยากที่จะได้ความสุขแบบนี้กระจายนะเหนื่อยเดินตอนนะี <c oughs> ให้ก่อนนะี้เพลินะไม่หัก